นานนาดนีำนานขนาี วัดกดให้พรก่อนนะให้โอวาก่อนสวดมนต์ก่อนมาทำวัดเช่าก่อนเรียบร้อยก่อนี่ทำวัดเสร็จแล้วก็ดีแล้ว<ม>จะนุน่เหมือนกันอนะ่ะอันทำก็ไม่ให้หลวงพ่อยุ่งปีนี้แต่ทำว่ดมัน <c oughs> จะมาฉันเึงไปมนมมา <c oughs> ให้พักผ่อนเยอะโดยเพราะต่างประเทศนี่ <c oughs> อาหารกายอาหารใจอาหารใจละเอียดจากที่สามัญชนคนธรรมดาจะรู้ได้รสชาติอาหารใจส่วนอาหารกายเยอะแยะดินอาหารกายก็หลายหม้อเหมือนกันนะอาหารใจก็หลายหม้อหายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ยังได้มเมื่อวานนี่ก็ยังน้อยกว่านี่เนาะมาที่นี่ยิ่งเยอะอยากให้เข้าใจนะเอาทำคำสั่งสอนของพ่อแม่พาทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่อยากให้ไม่อยากให้ช้าพอเร็วก็อยากเร็วหน่อยทางมาวัดทางหลายทาง อะไรแบบที่พูดในวันเท่เาทางเวรหงหลายมันจะคําเมาต้องพัวบากว่ามันจะส า, ากํามทางจากไหมพัวปากว่าถ้าเอาธรรมะมาแปลนี่เอาปัญญามาแปลนะดอกไม้ทูกเทียนก็คือบากว่าเขาจะไปเก็บปากว่ายุ่งจะสาเลยอีกถ้าพูดไม่ไปเก็บกัแป๊บเดียวกว็ถึงวัด ไม่ไปเส้นโค้งไปเส้นตรงเหมือนอยากมาจากอังกฤษมีหลายทางหนึ่งทางเดินสองทางจักรยานสามรถยนต์สีรถไปห้าเครื่องบินจะไปทางไหนถ้าพอเร็วก็ไม่อยากเร็วเหรอือฮะค้านั้นค้าดีก่ไปค่าอยู่นี่แหละมา ก, กา่าวก็เพราถือพระพุทธเจ้าําไปถูกดอกไม้ก่อนฆ้าดอกไม้ถึงฆ่าไปได้พเพราะมันหอบตดอกไม้ยืน ไย่ใหญ่ตาหนิดนะพูดถูกฟังมันหลวงปู่มาพูดรูฟังพูดให้ฟัง <c oughs> ทุกคนมีเอาแต่ตาเนื้อตาเนื้อมันเห็นสวยงามมันก็เกิดได้นี่เอาประดับประดาเพื่ออะไรสวยงามพระอังสาก็เหมือนกันดูเหมือนของพระเจ้ากำ ง, งามแล้วเอาของมาปกปิดข้างนอกอีก <c oughs> แต่งตัวเรายังไม่เล้วไปแต่งลูกพระพุทธเจ้าอีก ผิดตรงของพระพุทธเจ้าคือระบงกีวนันสังคาติมีคบนมาปิดทัางนอกอีกปิดไหมปิดตรงแหละไม่เห็นตรงกิง่งยะตั้งเบืองบนเลยค่ะไปเก็บทูกเก็บเทียนพ่นไปหาทูกหาเทียนหาดอกไม้หาหน้า ม, มาตรวจยักประเภทพุ้นหาบมาหอบมาอีกคนหนึ่งมาตัวเป้า มันไปไ ป, ไปลบกุงลังทางใจใจไม่ถึงพระพุทธเจ้ามันไปถึงดอกไม้ถุกเทียนไปถึงที่ประดับประดาทีนี้มันเป็นอเมิตรอะอเมรบูชาอะพระเจ้าสอนให้พระว่าภาคปฏิบัติบูชาปฏิปฏิบูชาแล้วกับผลเสียก็มีลูกหลานทําตัวอย่างถ้าอยู่ข้างนอกผมงพอหม่ว่า ลั้งเป็นแต่อพูดทางนอกเป็นธรรมะชาอันนี้เป็นของดัดแปลงทำให้คนหลงนั่นมันเกิดแล้วนี่เพราะอะไระ่ะงว่าสวยงามคนไหนมาเราไม่สวยงามนี่ไม่ถูกพระพุทธเจ้าแล้วนั่นจากไหมที่สาวคำว่าจากที่สามันชนคนธรรมดาจะดูได้รู้ได้เห็นได้เห็นอะไร สวรรค์นในอกในลกในใจเห็นไหมเมื่อกี้อากันดูสวรรค์ลมหายใจเข้าออกเบาถ้าเบาก็ไปได้ถ้าหนักไปไม่ได้ตัณหารักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักสามีภรรยาเหมือนปอกผูกศอกตัณหารักทรัพย์สมบัตินี่เหมือนปอกมัดตีนมัดไปหมดเดาไปได้ไหมนี่ก็ไปมัดไว้อีกอันนึง เดี๋ยวเอาดอกไม้ก้อนไปนเตือนขอบคุณญาติยมนี่มุนไปหัวหินหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องมีดอกไม้ทุกเทียนไม่ต้องมีได้ไม่ต้องมีอะไรแล้วมีนามพระพุทธมนต์อย่างเดียวก็พอมีพระประธานก็พอแล้วจต่ของบ้านยังไม่ลงมาก็แขกมาเยอะมีคนหนึ่งที่เคยเตรียมสถานที่จวดพระพุทธมนต์ ก็คือมีดอกไม้มีทูบมีเตียนมีแกะกันมีอะไรต่ออะไรประดับประดาดอกไม้รูปไร้รูปเทียนก็พูดว่าเอ๊ะทำไมไม่มีดอกไม้ทูบเตียนไม่มีแกะกันใส่ดอกไม้จบภาพที่หลวงพ่อสั่งยังไม่ลงมาแก่ต่างอื่นมาเห็นแล้วก็เลยคนใช่กลัวผิดเพราะส่วนมากก็ไม่เห็นแบบนั้นเห็นแต่มีดอกไม้ทูบเตียนก็ รีบไปซื้อดอกไม้ข้ามถนนไม่ข้ามเลรถชนตายนะถ <c oughs> ึงเจ้าป้ากดเสียใจอยู่นานอบลมอยู่นั่นตั้งนานค ม, มุ่งนาวัตถิโลกโกตระลอบเป็นไปตางความถึงข่าวของเขาแล้วเขาก็ไปตามเรื่องของเขามก็มีเหตุอยู่นิดหน่อยแหละจึงได้ไปถ้าไม่มีเหตุมันก็ได้ไปหรอกเ <c oughs> <c oughs> จ้าป้าลงมาไม่ทัน คนใช่ก็กลัวผิดก็รีบไปหารีบไปข้ามทางยังไม่ได้ค้ามรถชนโอ้นั่นจากนั้เข้าใจจุดนี้นะถ้าคนที่ไปเที่ยวเก็บดอกไม้ไปทําบุญไปตะ บ, บุญก็ผิดคําพูดอีกแล้วนะถ้าเอาธรรมะมาปแปลละเอียดลึกซึงนะแต่ว่าไปทําบาปนั่นเพราะทําให้คนหลงทําให้ลูกหลานต่อไปอีกหลงทําอะไรคํานึงถึงความได้ จากคำหนึ่งถึงความเสียธรรมะประดับเพื่องามเพื่องามเกิดไหมนะ่ะจากงามจากร่ํารวยมีสองอย่างเป็นนรกถ้าเอาธรรมะมาแปลนะร่ารวยเขามายึงไม่มาคืนให้ถามสองสามครัง้งเอาปืนไปด้วยกินรัดไหมละ่ะตั้งแต่กลัวมีเราเกิดกลัวอยู่แล้ ว, ก, ก, ล ว, ลวกลัวเขาป่นเขาจี้เขาฆ่าเขาตี คนไปยืมเปน็นยางไนเห็นไหมล่ะสวยงามก็เหมือนกันหึงกันหวงกันทะเลาะกันถามนี่ไปทํางานไม่กลับตามเวลากลับมาถึงบ้านไปทําอะไรอยู่ขํามื่อดึงตาแล้วไม่กลับดึกเดินเพื่อนชวนไปทานอาหารทานอาหารอะไรที่บ้านก็เตรียมไว้เยอะแยะแล้วค <c oughs> วามเหมือนหวงใจไหม ภรยาผู้หญิงไปพูดกับผู้ชายก็ไม่ได้ผู้ชายพูดกับผู้หญิงก็ไม่ได้ทะเลาะกันฆ่ากันเป็นเรื่องเป็นราวกันในประเทศไทยโอ้น่าสลดสังเวชนะเข้าใจไหมให้ทําดีต้องทําดีต้องทดีเขาปนได้เขาก็ว่าดีข่าได้ก็ว่าดีเข้มยได้ก็ว่าดีโกงได้ก็ว่าดีดีอะไรถูกต้องดีอะไรถูกใจหนึ่งถูกต้องสองถูกใจ ถ้าทำถูกใจแล้วมันไม่ดีบญชาจาังนี้แหละถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเอาคิดให้ละเอียดนะถ้าากเดินทางตรงไม่ว่าทำไปก็ไม่ว่าแต่ว่าผลพลิตเสียมันมีก็เยอะลูกหลานทำต่อไปทำต่อไปจนถึงนีะ เ, เลยคนคนไปเอาขาบนิยมเอาดอกไม้บูชาก็คือช่วงระยะเป็นยึดถือตรงไหนขั้นพุทธการไปถือเอาที่พระพุทธเจ้ามาประศุ จะมาปฏิสนธิ <c oughs> ถือดอกบัวลงมาจากนู่นจากที่ไหนพมทโลกเทวโลกนู่นลงมาจากเทวโลกในตำนานก็นั่นถือดอกบัวมา <c oughs> ผู้เป็นพระราชเจ้า <c oughs> มาดากันี่มีเห็นทางเปลือถือดอกบัวมาน่นเห็นไหแ ล, ล้วก็เลยถือเอาจนนั่นมาถว า, ายทีตอนนั่นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ เพิ่งเริ่มลงมาที่นี้เวลาจัตตารูแล้วทำไมเราไม่อดหยากไม่ยากจัดตะรู้เหลือ <c oughs> อยากให้มีธรรมะจัสุอยากให้มีตาภายในเ้าขาดอย่างเดียวคือไม่มีปัญญาไม่มีทำบุญไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญาผลอะไรเก็เขาทามาเขาพาทำมาคนโง่เขาไม่เชื่อทาไมล่ะกูจะห้ามอะไร ห้ามไม่เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ห้ามไม่เชื่อหนังสือตำราห้ามไม่เชื่อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมาห้ามไม่เชื่อที่เขาพาทำมาเนี่ยตัวนี้มาแป ะ, ะทัดๆไม่ใช่ตำตํานิษฐนะจัะหาว่าหลวงพ่ออวดทั้งนู้นทางนี้เป็นตำนิที่นู้นที่นี่แหละพูดถูกฟังเข้าใจไหมไม่ได้พูดให้ทําตามนี่ <c oughs> อยากให้เข้าใจถูกต้องกับถูกใจอยากให้ เข้าใจเรื่องอาหารกายกับอาหารใจอาหารกายเท่าไร่เต็ไมไปหมดไม่พอไม่พอเรื่องความพอไม่มีของในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้โอวัดว่าไงต้องรู้จักคําว่าพอเพียงรู้จักคําว่าเพียงพอกินดีกับของได้พอใจกับของมีไป <c oughs> บิณตบาตได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นนี่เอมาส่งถึงวัดคำว่าไปทําบุญตะบุญ ทำให้พระยุ่งก็ว่าทำบุญดีไม่ดีทำให้พระเสียอีกที่ด้วยนะบางแห่งเตรียมถ้วยเตรียมจานอะไรมาพร้อมนะนั่นแท น, นที่จะถากกิเลสช่วยพระสงฆ์ยังเสริมกิเลสให้พระสงฆ์ช่วยกันพากันทำบาปพระเจ้ า, าสอนอะไรบินนีจะรอพ่อจะนั่งหนึ่งไม่มีสองบินทบาดเรื่องชีพ ชันในบาทหนึ่งภาชนะหนึ่งอาสนะหนึ่งั น, งนกับฉันมือเดียวไม่ได้ใช่ท่อนอีกด้วยนะยมีใหม่ๆแต่ไม่ก่อนมิตรหอยจิบจีจะไปท่อนสดทั้งหลมันบาดปากกันตัวมิตรเอาตักแยกกันท่อนแล้ท่อนขั้งพุตธการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาอยู่ไม่ตึ่กับขั้งพุทธการของพระเจ้าหรอทำไมพ่อแม่ครูบาอาจาราย์ี สี่สิบห้าสิบปีขึ้นหลังนะพวกคุณต้มตรงไหนตรงหน้าก็เอาใบไม้สดเอาเตี๋ยวพระเจ้าพระสงฆ์ก็อ า, า, าจารย์ด้วยใส่มาได้หร อ, อจกะใส่แจกันตอนนัดสอนบวงวัได้มีสดมันทาให้เกิดเจลีบน่ะเห็นไหมมันเป็นภาชนะสองอย่างอันนี้ถ้ามีสอนน้ำยิ่งเพิ่มถ้วยเพิ่มจานก็ไปก็ไ ป, ปมาพระสงฆ์ก็ไปตีพระพุทธเจ้าแล้ว ชั้นในบาทมุมมามว่าตไปอีก ล, ละเลอะเทอะว่าไปอีกละเมื่อ่อนโอ้ยคนบาทแขะแง่งกันทุกวันนี้ไม่สนใจแล้วเลอะเทอะมุมมามในท่องมีถ้วยมีจานตรงไหนเราไม่มีปัญญาฆ่ากิเลสปัญญาฆ่าไม่บาปฆ่ากิเลสนี่แต่อะไร น, นั่นปฏิสังขารโยนนิโธบินดว่าตังแปลอกมาสิ อาหารให้เขี้ยวเขี้ยวเกินเกิเขียเข้ยวเขี้ยวเกินเกินไม่ใช่ฉันเพื่ออเลตอลลอยฉันนะไม่ใช่ว่ากินภาษาชาวบ้านนี่กินพจะเจ้นี่หนัดเต็มอตัตราติหรือโพจะเนี่มัดตันจุตารูปประมาณเบรกใจอดใจทรมานเตะนั่นะเอาไวจ้จบปฏิยาบาทเกิดบุพเพกิเลสกองเขาน่อยความแแม่าัั้นแล้วพอกินเพิ่มาดาจ้าพ่อปากเพิ่มเขียด มี ใ, ใจอดใจไวแต่ห <c oughs> อดเวลาก็ว่ให้ผ้าสันไงผ้าสวดมุนผ้านั่งสมาธิมาผ้าบนาผ้าเด็กเตือนหน่อยบางหัวจากย์นานเดือนสนแต่นอหม้อตึเทศแต่ น, น้ <c oughs> อยจุหันหัวหลวงปู่ลุ้ยสมัยก่อนอยู่ธรรมตังหวัดเลยท่ามหัานจะไปเยี่ยมตั้นปกติได้มีกุบาอจารย์มาก็มิตรบาทมาเราก็เตรียมกรอบฉันเลย หลวงปูลยมากเล่านก็พาจตัดมณฑ์ทำวัเช่าเทพท่านระเทพนานอีกะด้วย <c oughs> โอ้ได้เห็นจุดนั้นอดใจได้เป็นพระธรรมะตีออกเป็นได้อดใจไว้ไม่ถูกคําโบราณแค่พอ ก, กินเพิ่มอยากแค่พอปากเพิ่มเกลียดกํลาลังหิวอยากรับประทานเวลาโกรธโมโหโถโซอยากพูดน่ะก็ได้เข้ามาทําลองอดใจได้เป็นพระ ทำให้อดกเป็นกองเขาน่อยข้าแม่แล้วบัดทวายก็บพ่อพ่อกองง่ประเดี๋ว่ากองเขาหน่อยกองเขาหน่อยโอดให้แม่แม่ก็ยุ่งก็ยากลูกอดเอาเถอะอดเอเถอะกว่าจะได้เข้ามาก็ไม่ใช่ง่ายทั้งง้วไปหนาทั้งค้อยก็เสียกมาสะแอลทั้งหนึ่งเป็นติ๊บเข่าทั้งหนึ่งค้อนลูกยากพัฒนา่ะจจุบันี้กับพี่แต่ให้หวงเทิไหนบัดย้อนวันนี้วันพระทำไมไม่ไปวัด ผมยุ่งผมยุ่งนะแต่คําแก่แค่นั้นเวลาเสียชีวิตอะผมยุ่งไปด้วยได้ไหมละ่ะพระเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนคนสอนคนที่มีชีวิตเราเป็นคนไหมถ้าเป็นคนทาไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำทุกวันจะด้วยเดือนหนึ่งมีสี่วันทำไมได้ทานทามไมข้าว มันบกทุกข์กันใหคือภาษาลาวนะ <c oughs> พ่อแม่มันจํามันสิมันผ่ารักษาไ่้ได้กินได้นัำเข่าสิบอกไปน่าอื่นมันก็ทุกกระโปกนเนาะแล้วติเคดเอาแล้วเห็ุว่าได้เจอแเพปัญหาสิาามาทําาหายแทบล้มแทบตายหาหกปีไว้ใจหาวันหนึ่งหนึ่งนาทีสองนาทีอันนี้บอกวันหนึ่งต้องนั่งให้หนึ่งนาทียังทำไม่ได้ หปีมิแต่ดูลมหายใจเข้าออกมิแต่ทําบุญมีเต็ทําสมาธิแต่ไม่ได้ตัตัลรูเพราะอะไรล่นะเพราะมันไปติดไปขัดตรงน้นตรงนี้ตรงน้นตรงนีง้กดจะหากดจำเบ็จมันทําที่จะสําเร็ดทูเจ้าได้อะไรสัรจจะที่ทํามาแล้วไม่เคยมีสัจจะว่าอาทําให้มันเด็ดขาดทําให้อะไรมันขาดออกจากริดใ จ, จทําให้มันโลกขาดออกจากริดใ จ, จอะไรโลกรค มันผมไม่จิจ้มสุตรโลกไม่อะไยเต็มไปหมดนะั่นแหละรักโลกโกรธหลงอ่นะคุณจะพอยยิ่งยิ่งตัวสุดท้ายตัวหลงเนี่ยนะถ้าไล่ขึ้นไปกลับไปกลับมาพนระพุทธเจ้าให้พูดไปคําเดียวนะให้พูดกลับไปกลับมาหลงรักโกรธโกรธโลก <c oughs> หรือผมขนแลกบฟันหนังหนังผนขนเล็บนี่แหละนั่นะนะจะไปพูดว่าไม่ได้เรียนนะถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้บวช ท่านจงตั้งใจเรียนพระกรรมฐานเจ้าาโรมานาคาดันตาตะโจตาโจดันตานาคาโลมาเจ้าาให้พิจารณากรรมฐาน <c oughs> ห้าอย่างให้เห็นเป็นไปตามความจริงที่นี้โลกพิจนาให้เห็นตามความจอมปร้อมนี่จะพร้มไหมผมไม่สะอาดขนไม่สะอาดเล็บไม่สะอาดหนังไม่สะอาดจวดประการสำคัญสองว่างไงเต็มไปด้วยของไม่สะอาดทรลุสุดท้าย เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเราได้ไล่ดูไหมล่ะไม่ <c oughs> มีสมาธิจะไล่ยังไงผมขนเล็บอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำมูดน้ำพูดเวลาขอบฉันไม่พิจนามันก็เลยเกิดจีเล็ดเขี้ยวเขี้ยขึ้นๆเขี้ยวเขี้ยวขึ้นบางทีกัไอปุ๊บขึ้นน้ำกันตัวต้องขีดเธอทต้งน้ำไล่ต้องข้างเข่าน้ำคายออกตัวจีเล็ดหรือเป่าเออ ตือนจะรวมหน่เวลางานใหญ่ๆ ใ, ในช้อนใส่ถุงมืออย่างน้นอย่างนี้โอ้เป็นเบาเมือ่อซื่อไส้ตะบาดย่านพระจีเดียดวัดอุ่นจีเดียดก็ดีตัววิ <c oughs> บินตะบาดเขาเกียดกองใหอยู่ในปานี่หลงเขงัดเข่าอยู่ในแจวหนิมาปั้นเขายัางเห็นไล่เมือยอยู่ก็เห็นตายเลยอามริันน่ะ เราทุกเมือนี่บุ่นนะกับว่าได้พระทิลังเจียดเป็นว่าวินตา บ, บาทมาเทแต่บ่เอาบ่าหอนต้องเอาเทติบมาพระวัดนั่นมีเวลายินดีกับของได้พอใจกับของมีนั่นดีไม่ดีอาหารวินตา บ, บาทมาัก็มาต้มไม่แกงไม่จุกสันก็มี <c oughs> อยากให้เข้าใจเรื่องปฏิบัติธรรม อยากให้เน้นหนักภาคทำบุญไม่มีอะไรมากนะราคาการทำบุญเราไปวัดนีแต่ขนของไปทำทานให้พระยุ่งก็ว่าทำบุญนั่นตีความหมาอยออกมาดูสิไปทำบุญทำอะไรทำบุญเมื่อกี้นั่นประกาศนั่นแทนดอกไม้ทุกเรียนนิ้วมือน่ะไม่ได้ซื้อในทางเมืองไทยดีไม่รูกงูหงูสาจะอยู่แหนนั่งไม่แน่นะแต่พูดถึง มันก็ไปสกสปกสกปกหัวใจแล้วสัตว์ไล่คือในหัวใจแล้วมันหลงทําให้หลงเป็นสัตว์ไายสิมันไม่หลงทางเดินของใจเลยไปติดสวยงามไปติดสวยงามเกิดแบบนั้นร่ำรวยก็ทําให้เกิดทันอยากร่ำรวยนั่นถ้าควอมอยากแล้วก็ผิดทั้งนั้นนะที่อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอยากเหมือนกันแต่ว่าอยากเพื่อไม่มาเกิดแต่ทางโลกอยากเพื่อเกิดน่ะ อยากสวยงามก็เกิดไดบถึงกับไม่จริงดีผมเลยเขาก็แต่งให้เล็บเขาแต่งให้ขนตาให้เขาแต่งให้เขียนเชี่ยวเขาแต่งให้เขียนเล็บแต่งเล็บแตง่แตงเนื้อหนังมังสังคว่องร้องกันอยู่นะเป็นโรคมะเร็งนะเรื่องมาบำรุงขังขานร่ า, นนางกายผิวหนังไม่ดีเกิดเป็นโรคอย่างโน่นเกิดเป็นโรคอย่างนี้ฟ้องร้องกันอยู่นะเพราะอะไรเพราะความหลงไม่ใช่หรืเพราะเข้าวัดไม่ทำบุญ บุญคือของเบาทํายังไ ง, งกับเบาคนไปตัวเปล่าจริงดีก็พระสงค์ไปบป็น บ, บาตอาหารข้าวจะในบาทก็พอแล้วตามไปยุ่งให้พระทําไมไปยุ่งกวนพระทําไมไปทําให้พระเสียะบางแห่งร่ํารวยมาก็ใส่ท่ายรถไปต้มขา้าวต้มขหนมอย่างน่องนอย่าง น, งงนี้จัดใส่สำรับมาถวายพระนั่นทำให้พระเสียใช่ไหมเสียทุดอง พระพเจาให้ถันในบาตรหรือถ้วยจานอะไรล่ะเขี้ยวเกินๆเขี้ยวเขี้ยวเกิน ๆ, ๆ, ๆในกระเพาะไม่มีถ้วยจานเหมือนปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าไม่บาปคือฆ่ากิเลสนี่แล้วรู้จักกิเลสไหมแบบหมไม่รู้จักกระเพาะไม่เคยเห็นบุญไม่เห็นสวรรค์ไม่รู้จักระลอกระลอกคือร่ารวยสวยงามสวรรค์คือลมหายใจเข้าออกเอาดูไปเถอะเมื่อกี้เห็นไหมถ้าสติดี เห็นแต่ลมเกิดตรงไหนรักก็ไม่มีโลค ก, ก็ไม่มีละเอียดก็ไปรมก็ไม่เอานะแต่ไปหนทางเดินเดินไปแล้วทิ้งเหมือนขีเนข่เรือขี่เรือไปแล้วถึงสถานที่แล้วขึ้นไปแล้วก็เรือก็ได้เลยจะไปไหนเรือก็ก็คือธาตุสังขารของเราตัวของเราเรือพาไปพาไปพาไปถ้ามีอะไรเพราะกรงลังเรือพาลมข่อนยังไม่ถึงจุดหมาย เอาขนลงไปดอกไม้ทุบเตี้ยนนะตรวจน้าเข้าไปขนไปเป็นสะสะเวลาทําบาปไม่เห็นตรวจน้ามไม่เห็นบูชาดอกไม้ทุบเตียนทำไม่ได้บาปเราเขาก็ว่าทําดีทําดีแต่ไม่เห็นทําดีก็เดื อ, รอดร้อนตนเองและคนอื่นนั้นทําดีถูกใจแต่ไม่ถูกต้องทําดีถูกต้องจากของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเบาปฏิบัติบูชาจากแน่นหนักจากแน่นหนักทุกนี้ พระเจ้าะสมก็แน่นหนักภาคปฏิบัติเอาคิดดูจุดนุ่นติดนี่ติดนุ่นติดนี่คล้องนุ่นค้องนี่นอยู่นั่นเห็นไหมเราเอากเงินเยอะเยอะยอะแต่ฐานที่ไม่พอเราจะเอาว้าก็บ้าที่น้อยจะจะไปหาที่เงินเยอําหลักของพระเจ้าก็นุ่นถานที่ก ว, กว้างขวางโดยเฉพาะป่าป่าป่าห่างไกลจากรูปเสียงกินรถ เขามาอยู่คุกคีอยู่กับรูปเสียงจินรถอยู่ตรงนี้แหละมันก็เลยช้าเวลาละเอียดนะสินของพระเจ้านะถ้าเอาละเอียดเข้าไปพระภิกษุสง์เห็นเขาทำอยู่ในมังสังสิบอย่างพระรู้อยู่ว่าเขาทำเพื่อถวายพระสงฆ์มันฉันไม่ได้มันเหมือนมีคเกมอนไม่มีเหมือนมี กองเหลกเหมือนทางโลกหรอกผิดศีลธรรมของพระเจ้าจิตใจเศร้าหมองมันละเอียดเพราะฉตนั้นต้องฟังคําของพระเจ้ายากที่สามันชนคนธรรมดาจะดูได้ต้องละเอียดนะทำไมละเอียดใครก็มีตาหมดใช่ไหมทำไมไม่ได้จัตตลูกตามพระพุทธเจ้าไปหมดคนในโลกนี้ไม่มีตาภ า, ายในธรรมะจักษุมันจะมองเห็นไม่ใช่ตาเนื้อเนือ ตาเนื้อตานาลน่นเห็นล่ำรวยเห็นสวยงามนี่ตัวใหญ่ๆฉันม้อใหญ่ๆตนนัวนี้ถ้ารู้ว่ามีบุญนะตู้ว่าเห็นบุญถ้าใจเป็นบุญแล้วนะทงจิรู้นาลพถ้าไม่เห็นบุญก็ไม่รู้ว่านาล ก, กับบุญแตกต่างกันตรงไห น, นถ้าละเอียดก็ไปจะรู้ว่าแตกต่างน ะ, นะเพราะฉะนั้นโลกพระเจ้าโลกกวีทูรู้แก้งโลกเข้าใจไมสิ่ติี้ แตัดตลูกวก็ลูกแกงโลกพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ทูกเทียนมาดูส่องหาโลกนะธรรมะจะคื อ, คอตาภายในส่องหาความเป็นจริงของโลกคือธรรมิปัญญาความรอบรูกในกองสังขารเรียกว่าปัญญาแสงสว่างเสมอรวยปัญญาไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าแสงสว่างเส ม, มอทูบเทียนหรือพวง ไฟฟ้าราคาเป็นแสนเป็นล้านไม่มีดวงพระอาทิตย์พันดวงไม่มีปู่เจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะเอาคําของปู่เจ้ามาดูมาแปลดูมาพิจารณาดูแล้วก็ไปทําให้ดูทําตามเหมือนคําสอนของปู่เจ้าน่นะอยากให้เน้นต่างกคําว่าทําบุญอยากให้เข้าใจคําว่าทําบุญอาหารใจที่ถูกต้องคือมีความสุขตั้งใจเห็นไหม ไม่ใช่ความสุขทางกายนะสังขารทางกายมันไม่เที่ยงเกิด แ, แก่เก็บตายท่องนังดังให้มันได้ยินสิให้กิเลสได้ยินหาโรงพยาบาลที่ไหนถึงหายแล้วก็ยังอยู่คือตายแต่โรงพยาบาลของพูะเจ้าถ้าทำได้แล้วไม่มีเกิดแก่เก็บตายมาจากไหนได้มีถ้าไม่มีไม่มีพระสงค์อยู่หรอกมีอะไรมีสวรรค์มีฟันิพาน นั่นวิหารธรรมเองอยู่ด้วยอำนาจบุญกุศลตนได้ชมลูกหลานญาติพี่น้องตลอดตั้งพระเจ้าะสงใ์้มารวมกันแล้วอาตนได้ชมก็มาทําทานอดมนไหว้พระเจริญเมตตาภาวนาเป็นบุญกุศลบุญกุศลส่วนนี้บุญกุศลข้อคุณพระคุณติเจ้าคุณประธรรมคุณวัฒน์สงและสิ่งศักดิ์ส Clear ิทธิ hey ์ทั้งหลายในสารคนหลกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาต้นได้ชมลูกหลานญาติพี่น้องตลอดตั้งพระเจ้าะสงต์องมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจ จากถูกโศกโลกภไฟการงานถึงใดก็เงินถึงใดปัจจณาสิ่งหนึ่งอะไรก็จงสำเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจงพากันตั้งอกตั้งใจตามคําสอนของพระพุทธเจ้าและก็จงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรสด์เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิด